พระไตรปิฎกนั้นถ้าเป็นสมัยที่พระผู้มีพระภาคมีพระชนอยู่เนี่ยนะพระองค์นั้นหลังจากที่ตรัสรู้พระองค์ก็เทศที่เรียกว่าเทศคาพูดนั่นเองคำเทศก็คือคาพูดที่พระองค์แสดงออกไปแต่คำพูดของพระพุทธเจ้าต่างจากคำพูดของคนทั่วไปคำพูดของคนทั่วไปเอาไปปฏิบัติตามแล้วไม่สามารถพ้นทุกข์ได้แต่คำพูดของพระพุทธเจ้าพระองค์แสดงแล้วพูดที่ ฟังเข้าใจปฏิบัติตามเข้าถึงความพ้นทุกเนี่ยน ะ, ะเพราะว่าที่พระองค์สามารถพูดแล้วคนอื่นไปปฏิบัติตามแล้วพ้นทุกได้จริงเนี่ย น, นะก็คงไม่ลืมอย่างที่เราฟังชาดกวันนี้ที่ว่าพระองค์นั้นบำเพ็ญบารมีมาตลอดสี่อสงไขยแสนกับบริจาคทานอย่างหาที่สุดไม่ได้รักษาศีลอย่างหาประมาณไม่ได้เจริญกุศลเหลือขนา น, นับตลอดสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยเพื่อที่จะให้มันมีความรู้ทั้งหมดเหล่านั้น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 และพระ อ, องค์ก็แสดงพระธรรมอย่างนี้ตลอดระยะเวลา45พรรษาทีนี้คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงในแต่ละหล้นแต่ละแห่งก็มีผู้ที่ติดตามฟังตลอดเหมือนเงาตามตัวนั่นก็คือเรียกว่าพระอนุนยนะพระอนุนนั้นเป็นผู้ที่ติดตามฟังพระผู้มีพระภาคแสดงเนี่ยเหมือนเงาตามตัวพระธรรมหมวดไหนที่พระผู้มีพระภาคไปแสดงที่อื่นที่ไม่มีพระอนุนไปด้วย พระนรนได้ขอพอหน้อยว่าถ้ากลับมาต้องมาแสดงให้ท่านฟังอีกเนี่ยนะมันพระนรนก็จะเป็นที่เรียกว่าธรรมพันธาคาเรกเป็นผู้ที่เก็บกลังเก็บเก็บพถ้ารำเอาไว้เนี่ยนะก็ข้อมูลท่านจะเก็บอ้าวแล้วท่านไม่ลืมหมดหรือก็บอกไม่ต้องห่วงเทพสมัยนี้ถ้านยังว่านะยังเลือนได้แต่พระนรนเนีน่ยไม่มีเลือนแม้แต่หน่อยเดียวเนี่ยนะไม่หายแม้แต่หยดเดียวเนี่ยนะจะไม่มีหาย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 เธอทั้งหลายอย่าไปคิดอะไรว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือพระศาสดานั้นหมดแล้วอย่าไปคิดเช่นนั้นนะและก็เป็นเป็นหลักย่างหนึ่งของศาสนาว่าพระองค์ไม่ได้มอบงานไว้ให้เป็นรายคนว่าคนนั้นจะไปทํางานแทนพระองค์เป็นต้นพระองค์ไม่แสดงแบบนั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนอ น, นุนธรรมวินัยใดที่เราตรัสไว้ดีแล้วแสดงไว้ดีแล้วธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งเรา เพราะนั้นพระองค์ก็บอกว่าธรรมวินัยทั้งหมดที่พระองค์แสดงไว้นะจะเป็นศาสดาของพวกเธอนะเนี่ยนะไม่ไม่ใช่สิ่งอื่นทีนี้พอพระองค์ดับขันปรินิพานผ่านไปไม่นานพระมหากรสปะซึ่งพระองค์เน้นยกย่องคุณธรรมต่างๆพระมหากัสปะนั้นก็ปรารบที่จะเรียบเรียงคําสอนที่พระผู้มีพระภาคแสดงไว้ตลอด45พันษา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 ปรารถนาที่จะให้ธรรมะคาสอนส่วนนี้เผยแพร่สู่ประชาชนมากเขาก็เริ่มแปลออกมาเป็นภาษาของชาวประเทศนั้นๆชาวคอเมเตก็แปลเป็นคอมเมตชาวไทยก็แปลเป็นไทยอังกฤษก็ของยุโรปของชุดอังกฤษเขาก็แปลเป็นภาษาอังกฤษของสิงหนก็แปลเป็นสิงหนของพม่าก็แปลเป็นพมา่เพาเดัะนั้นก็จะมีพระไตรปิฎกต่างภาษาด้วยกันแต่ความหมายเนื้อหาอัตจะเหมือนกันหมดเนี่ยนะ ทีนี้พระไตรปิฎกนั้นในแรกๆท่านก็จะไม่ค่อยสงสัยในเนื้อหาตอนหลังๆนั้นเนื้อหาคนก็เริ่มเข้าใจผิดเพี้ยนบ้างเนื่องจากคําอธิบายโบราณก็ยังอยู่ก็มารวบรวมเรียบเรียงขึ้นเรียกว่าอัตถกถาเพื่อที่จะอธิบายพระพุทธพจน์เหล่านั้นเนี่ยนะก็รวบรวมมาเป็นอัตถกถาก็เลยเป็นพระไตรปิฎกกับเป็นอัตถกถาก็แยกกันอยู่แต่ทีนี้ อย่างตอนนี้ของมหมาม o กุ u ก็เรียบเรียงทั้งอัตถกถากับพระไตรปิฎกมาอยู่ในเล่มเดียวกันอันถ้าอ่านพระไตรปิฎกเสร็จก็อ่านอัตถกถาต่อมาอ่านพระไตรปิฎกอ่านอัตถกถาต่อมาอคําที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าพระ อ, องค์ก่อนจะดับขันปรินิพานพระ อ, องค์ตรัสว่าธรรมวินัยใดที่ที่เราแสดงไว้ดีแล้วบรรัญญัติไว้ดีแล้วธรรมวินัยเหล่านั้นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งเราเพราะนั้นตอนนี้ ภาษาสดาที่ที่รูปเปรียบที่เรียกว่าขันห้าของพระองค์เนี่ยนะคือรูปของพระองค์นี้ก็แตกทําลายแล้วเนี่ยนะที่ที่ส่วนรูปประขันนะผมผมบางส่วนยังเหลืออยู่เนี่ยนะผมบางส่วนที่ตอนที่ตัดพระเมรีเนี่ยนะแล้วก็โยนขึ้นไปในอากาศฉะนั้นพระเกศายังอยู่เป็นบางส่วนเนี่ยนะที่ยังเหลืออีกก็คือพระธาตุที่เรียกว่าหนึ่งนับฟันกับกระดูกที่ที่ยังเหลือที่ส่วนเป็นรูปประคาสรูปประขันเนี่ยนะ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 พระองค์ก็จะเที่ยวแสดงเปิดเผยพระธรรมเหล่านั้นด้วยด้วยพระองค์เองแล้วก็มีพระสาวกทั้งหลายผู้ผู้เข้าถึงธรรมะเหล่านั้นนั้นก็ช่วยประกาศพระธรรมเหล่านั้นเพื่อประโยชน์เ พ, ชนเพื่อความสุขเนี่ยนะเพื่อเกื้อกูลแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะทีนี้ตอนนี้พระองค์ดับขันปรินิพานแล้วก็ยังเหลือแต่ธรรมวินัยเท่านั้นเองทีนี้ธรรมวินัยนั้นก็มีการเก็บบันทึกไว้ในหลายรูปแบบนะรูปแบบอย่างหนึ่งคือตอนนี้ก็คือพระไตรปิฎก สมัยใหม่ก็ทันสมัยไปอีกเยอะก็คือบันทึกในสิริลอมเนี่ยนะก็กว้างขวางออกไปทีนี้แต่ว่าพระไตรปิฎกที่เป็นภาคหนังสือเนี่ยจะกระจายไปสู่สาธารณชนได้ปริมาณที่มากกว่าอย่างอื่นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทั้งหลายมาช่วยร่วมกันรักษาถ้รทำคำสอนเหล่านี้เอาไว้พระธรรมคําำคำสอนเหล่านี้เนี่ยนะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ได้ยินได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษาได้เรียนรู้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 เคยสะสมบุญเอาไว้นะถ้าไม่ได้ฟังก็ไม่ได้ตรัสรู้รำถ้าถ้าไม่รู้แนวทางที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นะเขาไม่สามารถจะปฏิบัติและบรรลุเองเว้นแต่พระประเจกับพุทธเจ้าซึ่งมีปริมาณ น, น้อยมากท่านก็พูดจะบรรลุก็ต้องอาศัยพระปัเจกับพรุทธเจ้าทีนี้อย่างในยุคนี้สมัยอย่างนี้จะไม่มีพระประเจกับพุทธเจ้าและพระประเจกับพุทธเจ้าก็สอนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยพระธรรมคําสอนเป็นอย่างเดียวเนี่ยนะที่ที่เรียกว่า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 ลักษณะที่คล้ายๆกับเจริญรอยตามผู้คนอื่นนะเราอิ่มด้วยเราก็แบ่งให้ผู้อื่นอิ่มด้วยเนี่ยนะก็ช่วยๆแจกกันไปพระธรรมคำสอนเราได้ศึกษาด้วยเราก็ควรที่จะเผื่อแพ่ให้คนอื่นเขาได้มีความรู้ความเข้าใจด้วยเนี่ยนะ ทนี้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เารารสัพพะส์ทั้งหลายเนี่ยนะเราได้ศึกษาเราก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ความสุขแก่เราหมู่ญาติทั้งหลายที่ได้ศึกษาก็เป็นไปประโยชน์เพื่อความสุขแก่หมู่ญาติสัพพะสาทั้งหลายที่ได้ศึกษาก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ความสุขแก่สรัรพพะสาทั้งหลายเพราะฉะนั้นกุศลครั้งนี้ที่ได้ร่วมบำเพ็ญเนี่ยนะด้วยความสําเร็จร่วมจากหลาย <c oughs> ๆท่านด้วยกันเนี่ยนะคุณชูศรีเป็นต้นเนี่ยนะตลอดจนถึงหมูนะ่คณะ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 เป็นประธานใหญ่ในการเผยแพร่ทางวิทยุส่วนคนอื่นๆก็ร่วมอนุโมทนามิใช่น้อยเนี่ยนะตลอดถึงคนร่วมที่ช่วยกัน ร, ร่วมบันทึกทําจัดรายการทั้งหมดที่ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่สัตว์ทั้งหลายที่จะได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พระธรรมคําคสอนเพราะว่าพระธรรมคําคสอนที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้นะแม้กระทั่งตอนบําเพ็ญบารมีตอนให้ทานให้บุตรให้ภริยาทั้งหลาย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 จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยนะเพื่อแทงตลอดมรรคผลนะตลอดจนถึงรู้แจ้งพระนิพพานทุกคนทุกท่านก็ร่วมขออนุมโมทนาเช่นั